บทที่11อสมเด็จพระพุทธจารย์พระอุดมวิชาญาณหรือท่านเจ้าคุณโชดกไดอารัตานานิมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์อาตอาสพามหาเถระมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงมีพระภิกษุจากคณะห้าวัดมห า, าธาตุเดินทางมาด้วยอีกรูปหนึ่งคือมหาหนู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 ของพระเจริญร่วมเดินทางมาด้วยห้าคนดังนั้นเมื่อขึ้นจากท่าเรือที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วภิกษุสามรูปจากบางกอกจึงต้องนั่งเรือย้อนเส้นทางเดิมไปยังวัดป่ามะม่วงเพราะว่าเรือโดยสารขนาดใหญ่เช่นเรือเขียวหรือว่าเรือแดงจะรับส่งผู้โดยสารบางจุดเท่านั้น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 ท่านเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลจึงมีพระภิกษุทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมานมัส ก, การท่านสมเด็จจึงถือโอกาสฝากฝังพระพุทธศาสนาไว้กับภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งเป็นพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลพุทธบริษัทสีได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา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 การบรรพชาอุปสมบทสตรีจึงกระทำไม่ได้พิกษุณีที่มีชื่อเสียงในช่วงหลังพุทธกาลคือพระพิกษุณีสังฆมิ ต, ตาพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ยกย่องพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติส่วนพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงเป็นพุทธมามกะคือพระเจ้าพิมพิสารพระราชาผู้ครองแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนักกรุงราชกรือ หลังจากที่ได้โปรดชะตินสามพี่น้องและบริวารอีกพันคนที่ตมบนอุรุเวลาเสนานิคมแล้วพระธรรมเทศนาที่ทรงประทานแก่ชะตินสามพี่น้องและบริวารที่มีชื่อว่าอาทิตตะประ ย, ายาสูตรเพราะทรงทราบว่าชะตินเหล่านี้นับถือและบูชาไฟมาก่อนสมเด็จพระพุทธจาาได้ย้าแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติสมณกิจและที่สำคัญคือการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปชาต้องผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเสก่อนหาไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับแต่งตั้งแม้อายุพรรษาถึงก็ตามทั้งนี้เพราะท่านต้องการให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ตรหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของตนสมกับคำว่าพระซึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐวิปัสสนาจารย์สามรูปจากคณะหวัดมห า, าธาตุได้พำนักจำวัดณวัดป่ามะม่วงหนึ่งราตรีวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางกลับโดยเรือเขียว โดยไม่ต้องการจะนั่งอยู่ในเรือทั้งคืนเหมือนตอนขามาเรือเขียวออกจากสิงบุรีเวลาตีห้าและจะถึงบางกอกเวลาหกโมงเย็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้ตามมาส่งพระวิปัสนาจารย์ของท่านถึงคณะห้าวัดมหาธาตุและเดินทางกลับโดยเรือเขียวซึ่งออกจากท่าเตียนเวลาสามทุ่มในรออาสามารอรับ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 คงเหลือสมเณรบุญช่วยช่วยสมณเณรจอยสองรูปและพระบุญอีกหนึ่งรูปวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุสีรูปสมเณรสองรูปในช่วงออกพรรษาของปีนั้นสมเณรจ่อยเป็นหลานชายสมพานคือเป็นบุตรของพี่สาวคนโตของท่านดังนั้นจึงมารับหน้าที่แทนพระเฉลียวซึ่งลาสิกขาไป ปีต่อมาได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศจังหวัดสิงห์บุรีน้ำท่วมมากที่สุดเพราะว่าเป็นที่ลุ่มเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงล่วงรู้ก่อนหน้าแล้วจึงขอแรงญาติโยมช่วยกันทําเขื่อนกั้นน้ำรอบวัดทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกอันเป็นด้านหน้าของวัดนั้นต้องกั้นสูงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันน้าจากแม่น้าเจ้าพรยา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 มาขาโมยเอาไปแกงกินวันหนึ่งสมพานมีธุระต้องไปบางกอกเพื่อพาพระบุญไปฝากเรียนบาลีและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมห า, าธาตุสมเณรจ่อยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ติดตามและหากสมเณรสามารถเข้าเรียนบาลีได้ก็จะฝากไว้ที่นั่นด้วยท่านใช้เวลาอยู่ที่บางกอกสามวัน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 ก็ไม่ยอมเรียนและท่านก็จะไม่ฝืนใจหรือว่าบังคับเขาเรื่องอย่างนี้ใครมีบุญก็จะสนใจฝ่ายรู้เองคนขาดบุญวาสนาต่อให้เอาช้างมาฉุดก็หา ย, ยอมมาไม่ขึ้นชื่อว่ากรรมใครทําใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามดังพระพุทธวจนะว่ายาที่สัง วะัปะเตพีชังตาทิสังละพเตพลังกัลยานาการีกัลยานังปาปการีจะปาปกงังแปละว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำช่วย่อมได้ช่วยเมื่อพระเจริญกลับมาถึงวัดป่ามะม่วงก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นกระต่ายวิ่งเล่นหรือมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียว นึกสังหอนใจว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพวกมันจึงสั่งเนนหลานชายว่าไปตามเนนบุญช่วยมาพบข้าหน่อยสิทําไมเหรอครับหลวงนา้าน่าจะพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อนมีธุระอะไรค่อยว่ากันภายหลังผมยังไม่หายเมาเรือเลยครับเนี่ยเนรหลานชายบนกระปอดกระแปด นี่เองหรือข้ากันแน่ที่เป็นสมภารข้าสั่งเองเองกลับมาสั่งสอนข้าทั้งสั่งทั้งสอนมันจะไม่มากไปหน่อยหรือหลวงนาชักจะไม่พอใจผมทราบดีครับว่าหลวงนาหน่ะเป็นสมภารส่วนผมนั้นเป็นลูกวัดแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมาเป็นสมภารด้วย ผมไม่อยากลำบากตรากตรำถึงหน้าน้ำท่วมก็ต้องคอยดูแลไม่ให้ลูกวัดเดือดร้อนครั้นหน้าแรงก็ต้องไปตักน้ามาใส่ตุ่มไว้ให้ลูกวัดดื่มลำบากยากเย็นอย่างเนี้ยจ้างผมสักพันช่างก็ไม่เป็นเนนหลานชายย้อนเออน่ะไม่ต้องมาพูดมากข้าใช้อะไรก็ไปทำไปทำเสีย ย่า ม, ามัวมพูดกวนประสาทข้าอยู่เลยหลวงนาจะให้ตามมาทําไมละ่ะจะใช้อะไรเขาถ้าผมพอทําได้ผมจะทําให้เองก็ได้บอกมาเลยว่าจะใช้ให้ผมทําอะไรข้าไม่เหตุทาอะไรหรอกเพียงจะถามว่าพวกกระต่ายนะ่ะมันพากันหายหน้าหายตาไปไหนหมดข้าไม่เห็นเลยสักตัวเองพอจะรู้บ้างไหม ถามทั้งที่รู้ว่าหลานชายตอบไม่ได้ผมจะไปรู้ได้ยังไงก็เพิ่งกลับมาด้วยกันหยกๆยกก็เพราะอย่างนี้นี่แหละข้าถึงต้องให้เองไปตามเนนบุญช่วยเพื่อจะถามถ้าเองตอบได้ข้าจะใช้ให้ไปเสียเวลาทำไมสมภารพูดอย่างเป็นต่อสามเณรจอยจึงต้องไปตามเพื่อนเนนมาที่กุติหลวงน้า กรับท่านจะอาวาสแล้วเนียนบุญช่วยก็ถามขึ้นว่าท่านมีอะไรที่จะให้ผมรับใช้หรอครับน้ำเสียงและท่าทางมีพิรุษเพราะรู้ว่าท่านจะถามเรื่องอะไรกระต่ายป่าหายไปไหนหมดพระเจริญถามเสียงห้วน อ๋อพวกชาวบ้านก็จับไปแกงกินหมดแล้วครับแล้วเธอไม่ได้บอกเขาหรือว่าฉันสั่งห้ามบอกครับแต่แต่พวกเขาไม่เชื่อใครบ้างที่ไม่เชื่อไหนบอกมาสิสมภารถามอย่างจะเอาเรื่องทั้งนั้นเลยครับผมบอกเขาแรกแรกก็เชื่อกันดีอยู่แต่พอมีรายหนึ่งไม่เชื่อ ไรอื่นๆก็เลยเอาอย่างในที่สุดกระต่ายทั้งฝูงก็หมดเพราะถูกจับไปคนละตัวสองตัวสุดท้ายเพิ่งจับไปเมื่อก่อนหน้าที่ท่านสมพานจะมาถึงได้สักพักเนนบนช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่สมพานไม่อยู่คิดว่าอย่างไรเสียความผิดก็คงไม่ตกมาถึงตนหากก็ต้องสะดุ้งเมื่อท่านพูดขึ้นว่า รายที่ไม่เชื่อนั้นเชื่ออะไรบอกมาสิคราวนี้เนนวัยสิบเจ็ดถึงกับเหงื่อแตกซิกซิกอ้อมแอมตอบว่าในมิ่งที่บ้านอยู่เหนือวัดครับเนนจอยพายเรือไปตามในมิ่งมาที่นี่หน่อยบอกว่าสมพานมีธุระอยากคุยด้วยท่านหันไปสั่งเนนหลานชายเนนจอยกราบลงหน้าสามครั้งแล้วลุกออกไป จัดการตามที่สั่งพักใหญ่ๆในมิ่งก็มาถึงกุฏิเจ้าอาวาสเขาใจคอไม่ดีคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายอย่างแน่นอนกราบสมภารแล้วจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อเรียกผมมาทำไมเหรอครับเน้นบุญช่วยเขารายงานว่าแกมาจับกระต่ายที่วัดไปแกงกินจริงหรือเปล่าอ๋อจริงครับเขาเน้นเขา อนุญาตผมแล้วนี่ครับนายมิ่งสารภาพพร้อมกับกล่าวหาเนนบุญช่วยพูดดีๆนะทิศมิ่งข้าอนุญาตแกที่ไหนอย่ามาใส่ความกันนะก็ข้าบอกแกแล้วว่าไงว่าท่านสมผานสั่งไว้แต่แกก็ไม่เชื่อข้านี่เนนบุญช่วยแก้ตัวน้ำขุนคุณตอนแรกผมก็จะเชื่อละครับหลวงพ่อ แต่พอผมอ้อนวอนบอกว่าแกงแล้วจะมาถวายท่านถ้วยหนึ่งท่านก็อนุญาตท่านพูดว่างั้นก็แล้วแต่แกเธอผมก็เลยจับมันไปแกงแล้วก็นำมาถวายตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้พอคนอื่นๆรู้ก็เอาอย่างผมกระ่ายของท่านสมพานก็เลยหมดวัดในมิ่งสารภาพอย่างหมดเปลือก โกรธนอโกรธน้ออยู่นานเมื่อความโกรธค่อยทุเลาลงจึงพูดขึ้นว่าข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าแกสองคนจะทำกรรมชั่วช้าลามกได้ป่านนี้เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ไปทำรายล้างผลันเอาชีวิตเขาเพราะว่าเห็นแกปากแกท้องเวรกรรมจะต้องตามสนองพวกแกเอาเถอะ ข้าจะทํานายเอาไว้ว่าพวกแกจะต้องได้รับกรรมทันตาเห็นนี่ข้าไม่ได้แช่งนะมันเป็นกรรมที่พวกแกก่อขึ้นเองเวรกรรมมีจริงที่ไหนกะละหลงพ่อคนอื่นเขาก็ทํากันมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นเป็นอะไรกะอีแค่จับกระต่ายไปแกงกินมันจะบาปอะไรกันนักหนา้าในมิ่งพูดโกรธ ส่วนเนนบุญช่วยก้มหน้านิ่งรู้สึกสำนึกผิดคิดในใจว่าไม่น่าเลยเราสร้างกรรมบาปเพราะเห็นแก่ปากแกท้องช่างน่าละอายแท้ๆแกจำไว้นะว่าแกพูดอย่างนี้เอาเถอะเมื่อเวกรกมตามสนองอย่ามาอดครวญให้ข้าฟังก็แล้วกันจำเอาไว้หลวงพ่ออย่าโมาโหโกรธาไปเลยครับ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 ก็เป็นเรื่องของแกเอาไว้เจอกับตัวเองเมื่อไรแล้วก็จะรู้ที่ข้าพูดอย่างเนี้ยเพราะข้าเจอมาแล้วเอาละหมดธุระแล้วก็กลับกันไปได้มายังไงล่ะท่านยังมีใจเป็นห่วงอาศัยเรือเนรจอยมาครับเขาตอบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสั่งเนนบุญช่วยว่าถ้าเช่นนั้น เธอไปส่งกลับก็แล้วกันเนนจ่อยเข้ามาในเหนื่อยจะได้พักผ่อนบ้างเมื่อส่งในมิ่งแล้วก็ให้มาหาฉันเรายังมีเรื่องต้องพูดคุยกันอีกเมื่อสามเณรบุญช่วยกลับไปยังกุฏิสมพานอีกครั้งท่านเจ้าของกุฏิส่งน้ำและนุ่งผ้าห่มไตรจีวรเรียบร้อยแล้วดูท่านสดชื่น แล้วก็อารมณ์ดีขึ้นจนเนนวัยสิบเจ็ดค่อยเบาใจกราบท่านสามครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่เธอเชื่ออย่างที่นายมิ่งเขาพูดหรือเปล่าที่ว่าเวรกรรมไม่มีจริงนะพระเจริญเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนก็เชื่อเหมือนกันครับเพราะผมเห็นคนทำชั่วมาตั้งมากมายแต่เขาก็ยังอยู่ดีมีสุข คนทำดีสิอีกที่ต้องตกรกรรมลำบากสามเณรตอบตามตรงการตอบอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะเธออุตส่าห์มาบวชในพระบวรพุทธศาสนาแต่กลับมาเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิน่าเสียดายผ้าเหลืองนักสมภารพูดพรางสายหน้าช้าๆอย่าเสียดายเลยครับท่าน เดี๋ยวออกพรรษาผมก็สึกแล้วที่มาบวชเนี่ยพระะยมยายจะยกนาให้ถ้าไม่บวชแกจะไม่ให้อ่อนี่เธอรับจ้างมาบวชหรอกรอึฉันนึกว่าเธอบวช ด, ด้วยศรัทธาซิอีกงั้นก็นแล้วไปที่เรียกมาที่เนี่ยนึกว่าจะให้เธอแก้กรรมที่ทำไว้กับกระตาย ในเมื่อเธอไม่ศรัทธาก็เปล่าประโยชน์ที่จะมาแนะนำงั้นก็กลับไปที่กุฏิเธอได้แล้วสมณเณรจึงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วลุกออกไปภิกษุวัยสามสิบเศษมองตามพลางสายหน้าท่านรู้และเห็นว่าผู้ที่ทำกรรมไว้กับกระต่ายทั้งฝูงนี้จะต้องได้รับผลทันตาเห็น ไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นไปได้แม้แต่ผู้เดียวท่านมิอาจจะช่วยเขาได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดสามเดือนให้หลังน้ำก็ลดแล้วเหตุการ์ร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นกับบรรดานักนิยมกินเนื้อกระต่ายป่าที่มาลบภัยอยู่ในวัด เริ่มตั้งแต่ในบุญช่วยเมื่อลาสิกขาออกไปก็ถูกไฟครอกตายขณะนอนหลับอยู่ในมุง้งเพราะไฟที่จุดไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อกันยุงให้วัวควายในคอกได้เกิดลุกกลามขึ้นกลางดึกคนอื่นๆเขาพากันหนีทันแต่ในบุญช่วยนั้นคนเดียวที่นอนขี้เซาจึงต้องถูกไฟครอกตายอย่างแสนจะทารุณ น, นายมิ่งถูกโจรปล้น แล้วก็ใช้ดาบเชื่อดคอจนถึงแก่ความตายก่อนสติสัมปชัญญะจะดาบวูบลงเขาเนึกเห็นภาพกระต่ายตอนที่มันถูกเชื่อดคอช่างไม่ต่างอะไรกับตัวเขาตอนถูกโจรเชื่อแต่ว่าจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงก็สายเกินแก้ในท่วมอุตสาห่ายน้ำไปแอบขโมยกระต่ายในวัดจับมาได้สองตัว ก็กดมันจมน้ำจนมันขาดใจตายแล้วตัวเขาก็ต้องมาจมน้ำตายขณะทอดแหในหนองน้ำแล้วเกิดเป็นตะคริวฉับพลันช่วยตัวเองไม่ได้นายชมถูกเมียใช้มีดปลายแหลบแทงตายเพราะทะเลาะกันด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยนายสีมาเมาเหล้าตกกระไดคอหักตายขณะที่เมียกําลังตั้งท้องลูกคนแรก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 ผมไม่อยากมีอันเป็นไปเหมือนเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกไหนล่ะแล้วมีอันเป็นไปอย่างไรพระเจริญถามในกลมจึงเล่าเรื่องกระบวนการลากกระต่ายให้ฟังพร้อมกับสารภาพว่าตนเป็นอีกผู้หนึ่งที่มาขโมยกระต่ายวัดไปฆ่ากินค่าช่วยแกไม่ได้หรอกใครทำกรรมนั้นก็ต้องได้รับผลช่วยกันไม่ได้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 ก็ไม่ต้องไปชดใช้กรรมแต่ถ้าเขาไม่โอโหสิแกก็ต้องมีอันเป็นไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆคาตอบของสมภารทำให้ในายกรมใจชื้นขึ้นรีบบอกท่านว่าถึงอย่างไรผมไม่มีทางเลือกแล้วที่ทำได้ก็คือตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อจะพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อ